ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระองค์เดียวตรัสรู้ซึ่งอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เดียวนะถามว่าเป็นอย่างไรก็คือญาณในมรรคสี่คือโสดาปฏิมรรคส ก, ากาธาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคเนี่ยปัญญาเหล่านั้นปัญญินสีสีปัญญาธละธรรมวิจยะสัมโพธชงปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคสี่เรียกว่าโพธิ คือพระองค์นี้ตรัสรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขรร์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นต้นนะตรัสรู้อริยสัจถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยโพธิญาณคือญาณในมรรคสี่นั้นอนะ่ะอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ตามตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้ชอบบรรลุถูกต้องทำให้แจ้งแล้วซึ่งธรรมะทั้งปวงที่ควรตรัสรู้ที่ควรตรัสรู้ตามควรตรัสรู้เฉพาะควรตรัสรู้ชอบควรบรรลุควรถูกต้องควรทำให้แจ้งด้วยโพธิญาณคือมรรคสีนั้นน่ะเชื่อว่าพระองค์เดียวเนี่ยตรัสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์นั้นทรงบรเทาความมืด นะความมืดก็คือทรงละบันเทากำจัดทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความมืดคือราคะโทสะโภหามะนะทิิกิเลสทุจริตอันทำให้บอดทำให้ไม่มีจักษุทำให้ไม่มียานอันทำให้ปัญญาดับตกอยู่ในฝ่ายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพระองค์นี้ทรงประทับนั่งแล้วที่ป่าสานกะเจดีคือเชิญดูพระมุนีพูดถึงฝังแห่งทุกประทับนั่งอยู่แล้วที่ข้างภูเขา พระษาวกทั้งหลายผู้ได้ไตรวิชชาละมัจจุเสียแล้วนั่งห้อมล้อมอยู่เรียกว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่คําว่านั่งอยู่เนี่นั่งอยู่แบบไหนนั่งอยู่แบบผู้ระงับความขวนขวายอนะนั่งอยู่แบบผ้าหัน์นั่งนะไม่ได้นั่งแบบปุตุชนไม่ได้นั่งแบบพระเสกขาแต่นั่งแบบผ้าหันผู้ที่ระงับความขวนขวายอยู่จบประพฤติจารณะเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ที่สิ้นชาติสิ้นภพสิ้นวัตตาสิ้นการงานโดยเฉพาะการงานที่ ในการบําเพ็ญไตรสิกขาเพื่อพ้นทุกเนี่ยไม่มีแล้วคําว่ามีความโผลงก็คือมีปัญญานะมีปัญญาแสงสว่างมีปัญญาสว่างคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสโผลงนี้ทรงแผ่รัศมีแผ่แสงสว่างแผ่รัศมีแผ่แสงสว่างดังประทีป แพ่แสงสว่างสูงแผ่แสงสว่างโฉดช่วงนะนะถ้าได้ไปเห็นพระองค์จริงก็โอ้โหมีพระสมีสองซ้านออกจากพระวรกายคำว่าพระโคดมนี่มีปัญญาปรากฏความว่าพระโคดมมีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระญาณเป็นเครื่องปรากฏมีปัญญาดังธงชัยมีปัญญาดังธงนำหน้ามีปัญญาเป็นอธิบดีมีความเลือกเฟ้นธรรมะมากมีความเลือกเฟ้นทั่วไปมาก มากด้วยปัญญาเครื่องพิจารณามีธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาพร้อมมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แจ่มแจ้งทรงประพฤติในธรรมะนั้นพระองค์นี้ทรงมีปัญญามากหนักอยู่ในปัญญาโน้มไปในปัญญาโอนไปในปัญญาเงื้อมไปในปัญญาน้อมไปในปัญญาพระองค์มีปัญญาเป็นใหญ่อุปมาเหมือนว่าธงนี้เป็นเครื่องปรากฏแห่งรถสมัยนี้ไม่ใช้ธงแล้วใช้ยี่ห้อนะป้ายอะ ควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งแว่นแควนสามีเป็นเครื่องปรากฏแห่งภรรยาฉันใดนี่นะพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินพรงค์นี่มีปัญญาเป็นมีปัญญามากนี่นะมี หนักด้วยปัญญาโน้มไปในปัญญาโอนไปในปัญญาเงื้อมไปในปัญญาโน้มไปในปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์เรียกว่ามีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแผ่นดินนี่เรียกว่าภูริก็คือพระโคดมเนี่ยประกอบด้วยปัญญาเสมอเอ่อเรียกว่ามีปัญญาอันไพบูร์กว้างขวางเสมอด้วยแผ่นดินปัญญาความรู้ความรู้กิริยาที่รู้ความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิทั้งเรียกว่าเมตา พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปัญญาเป็นเมธานี้เพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่ามีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินเพราะฉะนั้นพระเมขียะจึงชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เดียวเนี่ยทรงบรรเทาความมืดเสียประทับอยู่แล้วที่ปารสานกะเจดีมีพระปัญญาสว่างแผ่รัศมี พระโคดมมีพระปัญญาปรากฏพระโคดมมีพระปัญญากว้างขวางเสมอดังแผ่นดินนะปิงคยะก็เล่าถึงพระพุทธคุณให้ภาวรีพราหมฟังต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะอันธรรมจรีคือผู้ประพฤติธรรมเนี่ยพึงเห็นเองเป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะไม่ประกอบด้วยการอันเป็นที่สิ้นตันหา อันไม่มีอันตรายแก่อาตมานิพานไม่ได้มีอุปมาแต่ที่ไหนเนี่ยนะตัวพระนิพานนะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่มีอุปมาหรอกคำว่าโยคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ทรงสดับมาก่อนทรงบรรลุแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพัญยูในธรรมะเหล่านั้นทรงถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ชํานาญในธรรมทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมก็คือแสดงธรรมะ น, นะบอกธรรมะประกาศพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงอริยมัชมีองค์8ปพระองค์ตรัสบอกนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน ธรรมะดังกล่าวเนี่ยนะอันธรรมจารีคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพึงเห็นเองเป็นธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยการคือธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนก็พึงรู้ได้เฉพาะตน น, นนะนะสันทิติโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปะณยิโกปัจจตังเวธิตาโพวินยูหิตเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งผู้ใดเจริญอริยมรตมีองค์8ดในภพนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุ ป, ประสบได้รับผลแห่งมรต ในกาละเป็นลำดับไม่ได้มีในกาละอื่นขั้นแม้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าสันทิทิกัวการิโกถ้าปฏิบัติจนได้อริยมรคนี่อริยผลต้องเกิดโดยลำดับแน่นอนเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายลงทุนทราบตามกาละอันควรยังไม่ได้อิทธิผลในการเป็นลำดับยังต้องรอเวลาถ้าค้าขายลงทุนไปนะก็ผลเนี่ยจะต้องรอเวลาหน่อยแต่ธรรมะนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอริยมรคมีองค์แปไม่เป็นอย่างนั้น ผู้ใดเจริญอริยมรรคมีองค์8ดในภพนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุประสบได้ผลแห่งมรรคในนั้นน่ะในกาลเป็นลำดับมีได้มีการอื่นขั้นเรียมกมรรคจิตเกิดพลจิตต้องเกิดตามมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอภพหน้าไม่ต้องมี ร, รอในประลกว่างั้นตันหักขยะเนี่ยนะคือสิ้นตันหาตัญหาก็ตันหา6กนะ ตันหัขยะธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สิ้นโทสะเป็นที่สิ้นโมหะเป็นที่สิ้นคติเป็นที่สิ้นอุบัตเป็นที่สิ้นปฏิสนธิเป็นที่สิ้นพเป็นที่สิ้นสงสารเป็นที่สิ้นวัตะกิเลสขันและอภิสังขารท่านกล่าวว่าอันตรายเนี่ยนะกิเลสขันสังขารเรียกว่าอันตรายนะพระนิพพานนั้นเป็นที่ละสงบสละคืนระงับอันตรายคือกิเลสขันและก็อภิสังขาร เนี่ยแหละเป็นอมตะนิพานอมตะนิพานนี่เป็นที่สิ้นตัญหาเป็นที่สิ้นอันตรายเป็นธรรมะที่ไม่มีอันตรายปณิพานนั้นไม่มีอุปมาคือไม่มีอุปมาไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีสิ่งเสมอไม่มีอะไรเปรียบไม่ปรากฏไม่ประจักษ์เพราะฉะนั้นปณิพานเนี่ยไม่มีอุปมาในที่ไหนทั้งในที่ไหนหในที่ไรๆในที่บางแห่งทั้งภายในทั้งภายนอกเพราะฉะนั้นนิพานไม่มีข้ออุปมาในที่ไหน เพราะฉะนั้นพระปิงกิยะเทระเล่าให้พรามภาวรีฟังถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันธรรมจรีคือผู้ปฏิบัติธรรมพึงเห็นเองนะไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นธรรมะที่ไม่มีอันตรายแกอัตมนิพพานไม่ได้มีอุปมาในที่ไหนๆทีนี้พอเล่าพระพุทธคุณธรรมคุณและความปฏิบัติ ความปฏิบัติของท่านให้พรมภาวรีฟังแล้วนะพามณ์ภาวรีฟังก็กล่าวว่าดูก่อนท่านปิงคยะท่านอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคโดมพระองค์นั้นซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้ครู่หนึ่งหรือหนอเนี่ยนะท่านอยู่ห่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมวังั้นอธิบายว่าท่านเนี่ย อยู่ห่างดูก่อนพิกิยะท่านอยู่ห่างแม้ชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งพักหนึ่งส่วนหนึ่งวันหนึ่งหรือเหมือนกันคําว่าพระโคะพระผู้โคโดมซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏความว่าผู้โคโดมซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมียานเป็นเครื่องปรากฏมีปัญญาดังธงชยัยมีปัญญาดังธงนําหน้ามีปัญญาเป็นอธิปดีมีความเลือกเฟ้นมากมีความเลือกเฟ้นทั่วไปมากมากด้วยปัญญาเครื่องพิจรารณา มีธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาพร้อมมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แจมแจ้งทรงประพฤติในธรรมะนั้นมีปัญญามากหนักอยู่ด้วยปัญญาโน้มไปในปัญญาโอนไปในปัญญาเงื้อมไปในปัญญาน้อมไปในปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่อนนะสะรุปว่ า, านะ แปลว่าภาวรีพรามณ์าท้วงนะว่าดูก่อนท่านปิงคียะท่านอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคโดมพระองค์นั้นซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้ครูหนึ่งหรือเนี่ยนะท่านแปลว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีจริงขนาดนั้นทำไมท่านห่างอย่งนั้นนะเป็นคำแค่ ท, ท้วงๆหน่อย ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายแก่ท่านนิพพานไม่ได้มีข้ออุปมาในที่ไหนๆก็คือพระพุทธเจ้าท่านดีขนาดนั้นเนี่ยท่านยังหางท่านอีกหรือเห็นไนหะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมที่ประกอบด้วยอสันทิติกอาคาริโกเอหิปัสสโกเนี่ยนะโอปัญญิโกปัด จ, จัดตังเวทิตับโพวินยูฮิแล้วก็พระนิพพานนั้นอนะ่ะไม่มีข้ออุปมาอะไร ท่านพระปิงคียะก็ตอบว่าท่านพราหมณ์อาตมาไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้โคดมซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้ครู่หนึ่งอธิบายว่าอาตมาไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือไม่ได้อยู่ปราดไม่ได้หลีกไปไม่ได้ปราดไปไม่ได้เว้นจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะคือปิงคียะเถระเรียกพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นลุงด้วยความเคารพว่าท่านพราหมณ์ เขาเป็นลุงนะจริงอายุก็เท่ากันนะนะเป็นลุงได้ยังไงไม่รู้ยังงงเหมือนกันนะพาวรีพรามกาาก็อายุร2อนะพระปิงนขยะก็อายุร้ย1ี่สก็เลยงงนะอาจจะเรียกกันตามศักดิ์ก็ได้นยนะอาจจะเป็นลุงกันตามศักดิ์นะนะก็บอกว่าท่านพราม์อาตมาไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าผู้โคดมซึ่งมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินแม้คู่หนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่อัตมานิพัญไม่ได้มีอุปมาในที่ไหนๆท่านพราหมณ์อาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจตอนนี้ก็ไม่ได้จากนะแต่เห็นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักสุ อาตมาเป็นผู้ไม่ประมาทตลอดคืนและวันนมาสการอยู่ตลอดคืนและวันอาตมาย่อมสําคัญการไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยนะจริงไม่ได้ไม่ได้จากรอกเห็นตลอดแหลยแต่เห็นด้วยใจนะแล้วก็ไม่ประมาทนมาสการประพุทธปฏิบัติตามคำํำสอนอธิบายว่าอาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักสุความว่า บุตรผู้มีในตาพึงแลเห็นมองเห็นแลดูตรวจดูเพ่งดูพิจรารณาดูซึ่งรูปทั้งหลายฉันใดอาตมาแลเห็นมองเห็นแลดูตรวจดูเพ่งดูพิจรารณาดูซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันท่านพราหมณ์อาตมาเป็นผู้ไม่ประมาทคือตลอดคืนและ ว, วันเมื่ออาตมาอบรมด้วยใจเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทตลอดคืนและ ว, วัน เที่ยวนมัสการอยู่คือนมัสการสการะเคารพนับถือบูชาด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยจิตบ้างด้วยการปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์บ้างด้วยการปฏิบัติทำสมควรแก่รมย่อมอยู่เกี่ยวยับยั้งอยู่ตลอดคืนและวันอาตมาย่อมสำคัญการไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั่นและคืออาตมาเจริญพุทธานุสตินั้น่ะ จึงสำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นผู้ไม่อยู่ปราดคือเป็นผู้ไม่อยู่ปราดแล้วคืออาตมารู้ทราบรู้ทั่วรู้แจ้งรู้ชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาตมาย่อมสำคัญการไม่อยู่ปราศ จ, จากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแลสรุปว่าท่านพราหมณ์อาตมาย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักสุอาตมาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วตลอดคืนและวัน อาตมานามัสการอยู่ตลอดคืนและวันอาตมาย่อมสําคัญการไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั่นแหละคืออยู่ด้วยพุทธานุสติเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้คือศรัทธาปีติใจและสติย่อมไม่หายไปจากาศาสนาของพระโคดมนะเรียกว่าศรัทธาปีติใจสติเนี่ยเป็นไปตามคําสอนตลอดนะนะพระโคดมผู้มีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดิน ย่อมเสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตมาเป็นผู้นอบน้อมไปโดยทิศนั้นๆนั่นและนะตอนนี้พระพุทธองค์อยู่ที่ใดใจของข้าพเจ้าก็น้อมไปในทิศนั้นอธิบายว่าความเชื่อความเชื่อถือความกําหนดความเลื่อมใส ย, ยิ่งศรัทธาสัทธินรีศรัทธาพละที่ปรารบถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยไม่หายไปจากาศาสนาของพระองค์เลยปีติก คือปีติในาศาสนานะคือความอิ่มใจความปราโมดความเบิกบานความยินดีความปลืม้มใจความเป็นผู้มีอารมณ์สูงความเป็นผู้มีใจสูงความที่จิตผ่องใส ย, ยิ่งปราลบถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าปีตินะนี่นเรียกว่าปีติเนี่ยมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นั่นแหละ ส่วนใจก็ปรารบถึงพระพุทธเจ้าคือจิตใจมนัตหัตยาหะทัยปันตะมโนมานายตนะมนินรีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันสมกันก็ปรารบถึงพระพุทธเจ้านะใจก็น้อมไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้กระทั่งสติความระลึกความระลึกถึงความระลึกชอบสัมมาสติก็ปรารบพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธาปีติใจและสตินะ ธรรมะสี่ประการเหล่านี้ไม่หายไปจากศาสนาของพระโคดมคือ